วันนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนแปเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสร้ พระอนุตตสัมมาสัมปธิยานในวันเพ็ญเดือนหกแล้วพระองค์ก็ทรงใช้เวลาพิจารณาอยู่ประมาณสองเดือนด้วยกันว่าจะประกาศพระธรรมคำสอนประกาศความจริงที่ทำให้พระองค์ได้ทรง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและจะทําให้ผู้อื่นที่ได้รู้ได้เห็นได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความทอแท้ไม่ ไม่มีกำลังใจที่จะนำเอาความจริงนี้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเนื่องจากเป็นความจริงที่สัตว์โลกยากต่อการที่จะปฏิบัติตามได้เพราะเป็นการฝืนความรู้สึกนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีความหลงที่ถูกหลอก ให้หาความสุขด้วยการกระทำตามความอยากต่างๆซึ่งแทนที่จะทำให้เกิดความสุขกลับทำให้เกิดความทุกข์มากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับและเป็นเหตุที่จะทำให้ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันสิ้นสุด แต่หลังจากได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่ามีบุคคลที่มีบุญมีบารมีมีวาสนามีกำลังที่จะประพัติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติมาได้พระองค์จึงทรงมุ่งไปสอนบุคคลที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้า ที่พร้อมที่จะรับเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติและบรรลุผลได้บุคคลที่มีอินซีที่แก่ก็คือศรัทธาอินซีวิริยะอินซีสติอินซีสมาธิอินซี ก็คือนักบวชทั้งหลายนั่นเองนักบวชที่ปฏิบัติ ด, ด้วยความเข่งคัดในศีลในธรรมรักษาศีลได้บริสุทธิ์และจะิอนสมาธิทำจิตใจให้สงบได้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะทำให้เขาเห็นต้นเหตุของความทุกข์ ว่าเกิดจากอะไรและเห็นวิธีของการดับทุกข์ว่าจะดับได้อย่างไรพอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้พบความจริงอันนี้พบความจริงของต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากพบของความจริงของการดับความทุกข์ว่าเกิดจากการปฏิบัติ มรรคที่มีองค์แปดถ้าผู้ใดสามารถจเจริญมรรคที่มีองค์แปดได้ผู้นั้นก็จะมีเครื่องมือมีกาลังที่จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากได้ก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ในวัตตะสงสารได้พระองค์จึงได้นำเนินมาพบกับพระปัญจวคีในวันเพ็ญเดือนแปดคือวันนี้และเมื่อได้พบแล้วก็ทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทำที่พระองค์ได้สงตัสรุว่าความทุกนี้คืออะไร ความทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบความประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนี่เองและต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรส อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากมีความสุขด้วยการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆคืออยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากร่วมหลับนอนกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อันนี้คือต้อนเหตุ ของความทุกข์ใจแล้วก็ยังมีความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญแล้วก็มีความอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ทุกยากลำบากอยากไม่ให้คนอื่นสันละนินทาว่ากล่าวตําหนิติเตียนนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจความจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้การพัดพาจากบุคคลที่รักหรือสิ่งที่รักหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ปาารถนาอยากไม่พัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบอันนี้ต่างหากที่เป็นต้นเหตุเพราะว่าถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจ เวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายก็จะไม่มีความทุกข์ใจแต่อย่างไร<ม>พระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้สร้างมรรคขึ้นมามรรคก็คือเครื่องมือที่จะทำให้หยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากได้<ม>ก็จะหยุดความทุกข์ได้ มรรคที่ทรงสอนให้แก่นับบุตก็คือมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปัปปะความดําริิชอบสัมมากรรมันโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดวาจาชอบสัมมาอาชีวการมีอาชีพชอบมีสัมมาอาชีพ สัมมาวายามุมีความขยันหมั่นเพียรชอบสัมมาสติมีการรําเล็กลู้ชอบและสัมมาส ม, มาธิมีความตั้งมั่นของจิตชอบเหนือนี่ก็คือมรรคที่มีองค์แปดเป็นคุณธรรมที่จะทำให้จิตสามารถหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจได้สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจได้ต้องมีมรรคที่เป็นองศาดนี้ที่ทรงแสดงมรรคที่เป็นองศาดก็เพราะว่าทรงแสดงให้แก่นักบวชนั่นเองซึ่งถ้าย่อมรรคที่เป็นองศาดนี้ลงมาก็จะได้สามส่วนคือ ศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชิโมคือการกระทำชอบการพูดชอบการมีอาชีพชอบการกระทำชอบคืออะไรก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพุติผิดต่เองนี้ไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆ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 สัมมาวาจาส่วนสัมมาอาชิวรก็คือการ ม, ามีอาชีพชอบก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นการจําหน่ายสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่น ดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมาก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือมีอาชีพขายสัตวาวุธที่จะเอาไปฆ่าฟันกันหรือมีอาชีพขายสิ่งที่ใช้กับการดักสัตว์อันนี้ก็จะไปทำลายชีวิตของสัตว์หรือทมา าอาชีพที่มีการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูอาชีพเหล่านี้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาชีพที่ไม่พึงกระทำนี่คือองค์ของศีลส่วนองค์ของสมาธิก็มีอยู่สาม นัน แ, แก่สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความรลลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบสัมมาวายาโมคืออะไรก็เพียรปฏิบัติเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพียรรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เพียรเจริญสติในอิเดียบทีสี่ ตั้งแต่เื่นจนหลับไม่ให้จิตลายไปลอยมาให้ไม่ให้จิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จิตระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะใช้กาใช้พุทโธก็ได้ก็ให้ดะลึกถึงคําว่าพุทโธไปทั้งวันเอไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือว่าจะใช้ร่างกายเป็นที่ระลึกรู้ก็ได้ให้ระลึกรู้เฝ้าดูอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังจะทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นๆไม่ให้ทำแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเรากำลังรับประทานอาหาร ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องงานการที่เราจะทําอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติไม่มีการลลิกชอบถ้าเป็นการละลึกชอบนี้จะต้องรู้อยู่ทุกอิริยาบทของการรับประทานอาหารขณะที่ตัดอาหารเข้าปากขณะที่เคี้ยวอาหารอยู่ในปากขณะที่กลืนอาหารเข้าไปใจจะเฝ้าดู การกระทำของร่างกายอย่างต่อเนื่องถ้าเวลานักปฏิบัติในพระฉันอาหารรับประทานอาหารเราจะสังเกตเห็นว่าท่านไม่คุยกันเพราะว่าท่านกำลังเจริญสติควบคู่กับการรับประทานอาหารท่านจะเฝ้าดูทุกอิเดียบทของการรับประทานอาหาร ตั้งแต่ตักอาหารเข้าไปในปากเคี้ยวอาหารเกลืนอาหารเข้าไปถ้าเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติเช่นคารวะญาติโยมเราจะเห็นว่าเวลารับประทานอาหารกันก็จะมีการสนทนากันมีการหัวเลาะกันมีการกระทาอะไรต่างๆนอกจากการรับประทานอาหารนั่นแสดงว่าไม่มีสติไม่มีความรับเลิกชอบ นี่คือเรื่องของสติเพราะก่อนที่จะนั่งสมาธิให้มีสัมมาสมาธิให้มีความสงบตั้งมั่นได้จำเป็นจะต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมจิตไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปในอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือให้อยู่กับการะทาการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้ามีสติระลึกรู้อยู่อย่างนี้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อย่างง่ายได้เพราะจิตจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบเวลาจิตสงบนี้ก็จะมีสองลักษณะ ว่าตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ความว่างความเป็นอุเบกขาหรือตั้งอยู่ที่การรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าตั้งอยู่กับการรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นรู้นรกรู้สวรรค์รู้เรื่องอดีตเช่นละเลิกชาติได้หรืออะไรต่างๆที่มาปรากอบให้รับรู้นั้นอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะไม่เป็นสมาธิที่จะทำให้จิตมีกำลังที่จะเอาไปใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆสมาธิแบบนี้จะไม่ได้ทำให้จิตเป็นอุเบกขาจะไม่ได้ทำให้จิตวางเฉยปล่อยวางแต่กลับทำให้จิต มีความโลภมีความอยากเวลาได้เห็นสัมผัสกับเรื่องที่น่ายินดีก็อยากจะสัมผัสไปนานๆเวลาไปสัมผัส ร, รับรู้กับเรื่องที่ไม่น่ายินดีก็อยากจะให้มันหายไปนี่คือวิชาสมาธิอาจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบ ควรดึงจิตกลับเข้ามาหาองค์ภาวนามาภาวนาต่อถ้าบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปหรือถ้ามีสติดึงให้จิตกลับเข้ามาสู่ความว่างได้ก็ดึงกลับเข้ามาให้กลับมาสู่ความเป็นอุเบกขาวางเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่รับรู้อะไรให้รู้อยู่กับความว่าง ให้รู้อยู่กับความรู้ของตนคือรู้อยู่กับตัวรู้เท่านั้นอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเวลาที่จิตอยู่ใน ส, สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินี้ก็ไม่ไปควรไม่ควรไปลบควรไม่ควรไปทําอะไรในตอนนั้นเช่นไม่ควรเจริญปัญญาเวลานั้นเป็นเวลาที่จะพักจิตเวลาให้อาหารกับจิต อาหารของจิตก็คือความสงบความเป็นอุเบกขานี่เองถ้าจิตได้สงบนานเท่าไหร่มีอุเบกขานานเท่าไหร่จิตก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเท่านั้นกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วจิตก็ต้องเจริญปัญญา คือเจริญสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปรทันทีสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็ ค, คือความเห็นชอบเห็นอะไรจึงเห็นว่าเห็นชอบก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปสั่ง ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไปเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเขาไม่เป็นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือสัมมาทิฏฐิต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของเราถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะไม่อยากได้แต่ที่เราเห็นอะไรแล้วเร า, เรามักจะอยากได้กันก็เพราะว่าเราเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองนิจจังก็คือว่าเที่ยงแท้แน่นอนสุขขังก็คือได้มาแล้วจะให้มีความสุขจะได้ความสุขได้มาแล้วจะเป็นของเราจะอยู่กับเราไปจะอยู่ภายใต้คำสั่งของเรา แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพอได้มาแล้วไม่ช้าก <aj> ็เร right. ็วมัน <abra> ก <artist world> ็มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเสื่อมไปมีการชารุดซุดทรงมีการสูญไปหายไปเสียไปเวลานั้นถ้าเกิดความอยากให้เขาไม่สูญไม่เสียไม่เปลี่ยนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ดังนั้นเราต้องเจริญสัมมาทิฐิอยู่เรื่อยๆคือปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้เป็นของเราเราสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเขาไม่เป็นตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย ว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามอย่างที่เราคิดกันสวยงามเพราะว่ามีการตกแต่งเฉพาะผิวถ้ามองลึกเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายร่างกายไม่ใช่มีแต่หน้ามีแต่ผมมีแต่หนังเท่านั้นยังมีอวัยวะต่างๆอีกถึงสามสิบสองอาการด้วยกัน มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระดูกก็ตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงไปโครงกระดูกกระดูกแขนกระดูกขากระดูกมือกระดูกอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายที่มองไม่เห็นกันถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สัมมาสังกโปคือใช้ความคิดคิดขึ้นมา เราต้องพิจารณาคำว่าพิจารนาก็คือให้คิดในสิ่งที่จะทำให้เราเห็นความจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงจะไม่ได้ถูกความหลงหลอกให้เห็นความไม่จริงความไม่จริงก็คือความสวยงามความน่ารักของร่างกายนี้เองถ้าจะว่าสวยงามน่ารักก็เป็นน่ารักสวยงามเพียงบางส่วนแล้วก็บางเวลาเท่านั้น แม้แต่หน้าตาที่น่ารักนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปผิวหนังก็ต้องเหี่ยวย่นลงไปผมเเผาก็จะต้องบางหรือกลายเป็นสีขาวไปอันนี้ก็จะทําให้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามนั้นกลายเป็นรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามไปหรือเวลาที่ร่างกายนี้ไม่หายใจแล้ว ถ้าปล่อยไว้ไม่ทำอะไรต่อไปก็จะต้องขึ้นอืดพองขึ้นมาแล้วก็จะมีเปลี่ยนสีเป็นช้าเขียวช้าเลือดช้ำหนองแล้วก็จะพองแล้วก็จะแตกน้ำที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลเสืม่มออกมาส่งกลิ่นเหม็นนี่คือความไม่สวยงามของร่างกาย ที่ที่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิจะมองไม่เห็นจะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเพียงอย่างเดียวจึงต้องใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปคือความคิดคิดไปในทางในส่วนที่ไม่สวยเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกายไม่หลงไปรักร่างกายที่ สวยเฉพาะบางส่วนบางเวลาพอได้มาแล้วก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยตามมาต่อไปถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยก็จะไม่เกิดความอยากที่จะมีคู่ครองที่มีคู่ครองกันนี้ก็เพราะว่ามองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยของร่างกายนั่นเอง ที่หย่ากันก็เพราะว่าไปเห็นส่วนที่ไม่สวยกันในตอนหลังแล้วหลังจากที่แต่งงานกันแล้วถึงไปเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายจึงทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องหย่าร้างกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาหรือเรียกเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนี่คือองค์องค์ประกอบของมรรคแปด 8. ที่แบ่งได้เป็นสามกลุ่มกลุ่มของศีลกลุ่มของสมาธิและกลุ่มของปัญญาเป็นมัทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก่นักบวชแต่ถ้าเวลาสอนให้กับฆราวาสผู้ครองเรือนก็ทรงสอนทานศีลภาวนาเพราะว่าฆราวาสต่างกับนักบวชตรงที่นักบวชไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ส่วนคารวะยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่จึงจําเป็นต้องสอนให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าไม่สละก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถภาวนาได้ภาวนาก็เป็นส่วนของสมาธิและปัญญานี้เองเรียกว่าสมาถะภาวนาก็เรียกแปลว่าสมาธิคือความสงบ วิปัสนาภาวนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องเห็นด้วยปัญญาถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอะไรก็เห็นตายรักนี่เองเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากการจะดับความทุกข์ก็ต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะหยุดความอยากได้ นี่คือเรื่องของรักที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนในวันอาสาหาบูชานี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนผู้ใดได้พบกับความรู้อันนี้ผู้นั้นก็จะสามารถยกตนให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายดับการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถมีปัญญาอย่างลึกลงไปถึงรากเหง้าของความหลงว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการไม่เห็นความจริงอันนี้เองไม่เห็นอริยสัจสีไม่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรร ความรู้นี้เป็นความรู้จำเพาะของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีผู้ใดในโลกนี้จะสามารถรู้ความรู้อันนี้ได้ด้วยตนเองศาสนาพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนเรื่องอริยเรื่องเรื่องอริยสัจสีศาสนาอื่นศาสดาของศาสนาอื่นไม่มีปัญญาที่จะสามารถหยั่งลงไปถึงความรู้อันนี้ได้ สอนได้ก็แค่ทานศีลสมาธิเท่านั้นแต่จะไม่สามารถสอนเรื่องปัญญาได้นอกจากไม่สอนเรื่องปัญญาแล้วยังสอนเรื่องของความหลงซีอีกเช่นสอนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้มาถ่ายบาปถ่ายความทุกข์ให้แก่สัตโลกอันนี้เป็นความหลงอย่างสุดๆเลย เพราะว่าบาปนี้ของใครของมันไม่มีใครมาถ่ายได้ใครทําบาปทํากรรมไว้ก็จะต้องรับผลของบาปของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะรับผลบาปผลกรรมก็ต้องอย่าไปทําบาปทํากรรมเท่านั้นเองนี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนแปนี้ เรียกว่าวันเกิดของพระพุทธศาสนาวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาเป็นวันแรกที่แสงสว่างแห่งธรรมได้ฉายแสงออกมาให้แก่สัตว์โลกได้รับรู้บุคคลที่ได้รับรู้เป็นกลุ่มแรกก็คือพระปัญจวคีแรกหนึ่งในพระปัญจวคีหลังจากที่ได้ยินได้ฟัง แสงสว่างแห่งธรรมอันนี้แล้วก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นว่ามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายนี่เองมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็ไม่มีใครไปยับยั้งเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายได้ ถ้าเกิดแล้วจะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายนี้ยับยั้งไม่ได้พระอัญญาณโกณัญญาผู้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านจึงสามารถปล่อยวางความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะท่านรู้แล้วว่าอยากไปยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้อยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่อยากก็จะไม่มีความทุกข์เหมือนกับเวลาที่เราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราแล้วมันเจ็บศีรษะถ้าเราไม่รู้เราก็จะทุบมันอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็บ่นว่าปวดศีรษะปวดศีรษะอยากให้มันหายแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุของการปวดศีรษะว่าเกิดจากการเอาค้อนมาทุบศีรษะเราแต่พอมีคนมาบอกว่าที่คุณปวดศีรษะก็เพราะว่าคุณอาค้อนทุบศีรษะของคุณนั่นเอง พอมหันมาดูเขาก็เป็นอย่างที่เขาพูดไว้ถ้าไม่อยากจะปวดศีรษะก็อย่าเอาค้อนมาทุบศีรษะพอไม่ทุบสีทุบมันก็ไม่ปวดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกใจเวลาที่เราคิดถึงความแก่แล้วเราไม่สบายใจแสดงว่ า, ายังไม่อยากแก่เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ปวด่วย แล้วไม่สบายใจก็แสดงว่าเรายังไม่อยากจะเจ็ดไข้ได้ป่วยเวลาที่เราคิดถึงความตายแล้วเราไม่สบายใจก็แสดงว่าเรายังไม่อยากตายนั่นเองแต่ถ้าเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเรารู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตาย ก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปเป็นธรรมดานั่นเองหรือการพัดภาาจากผู้อื่นก็เช่นเดียวกันผู้อื่นที่ตายจากเราไปก็ เ, เป็นเหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของพวกเราทุกคนจะต้องแก่เจ็บตายด้วยกัน เวลาคนอื่นตายมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไปยับยั้งไม่ได้ถ้าเราไม่อยากให้เขาจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นช่องเห็นว่าทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดาและเราสามารถหยุดความอยากไม่ให้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับนั้นได้เราก็จะ ไม่ทุกข์กับการดับของสิ่งต่างๆนี่เลยคือการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ผู้ฟังนี้สามารถระงับดับความทุกข์ได้เพราะผู้ฟังก็มีอินทรีย์ที่แก่กล้าคือมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิมีสัมมาสมาธิมีอุเบกขาเวลา จิจอยู่ในสมาธิก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากแต่เวลาออกจากสมาธิมาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแต่พอพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าอย่าทำตามความอยากต้องหยุดความอยากพอทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนความทุกข์ใจก็หายไปเช่นเวลาคิดถึงความแก่เมื่อก่อนก็ไม่สบายใจ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจคิดถึงความตายก็ไม่สบายใจแต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะสบายใจเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีอยากหรือไม่อยากเพียงแต่ว่าถ้าอยากมันก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์งั้นเรามาหยุดความอยากกันคนที่มีเหตุมีผลคนที่มีปัญญาคนที่มีอุบเบกขาก็จะหยุดความอยากได้คนที่หยุดความอยากไม่ได้ก็สแสดงว่ายัางไม่มีอุบเบกขายัางไม่มีสมาธิยังไม่สามารถ บ, บรรลุธรรมได้เช่ขนขณะที่ฟังนั้นมีเพียงพระอัญญาณโกนทัญญาเพียงรูปเดียว ที่บรรลุได้แต่อีกสี่รูปยังไม่มีกำลังพอหรือสติปัญญายังไม่ฉลาดพอยังไม่เข้าใจถึงตั ก, กะของเหตุและผลว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของตนแต่หลังจากนำเอาไปค่ายวรพิจารณาไม่นานก็สามารถบรรลุได้หลังจากที่ได้ฟังทำอีกครั้งสองครั้ง พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็สามารถหยุดความอยากทั้งหมดได้ภายในใจได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระโสดาบันที่พระอนญางกุณทาญยะได้บรรลุ ถ, ถึงขั้นแรกนี้ยังดับความทุกข์ได้บางส่วนเท่านั้นยังมีความทุกข์อีกหลายส่วนด้วยกันที่ยังไม่สามารถดับได้เช่นทุกข์ที่เกิดจากกามารมณ์ ทุกที่เกิดจากการยึดติดในอัตตาตัวตนนี้ยังไม่มีปัญญายังไม่เห็นยังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะทำให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามไม่น่าปาถนาว่าตัวตนนี้ไม่มีในจิตนี้ไม่มีตัวตนในจิตมีแต่ตัวรู้เท่านั้น แต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นไปตามลำดับจนสามารถเห็นได้ชัดเจนก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถึงพระนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงครับอันนี้เป็นความจริง ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนไว้เป็นของพระองค์เองเอามาแบ่งปันให้แก่สัตว์โลกไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ผู้ใดที่สามารถเจริญเหตุก็จะได้ผลเหตุที่ต้องเจริญก็คือมักที่มีองค์แปดหรือทานศีลภาวนานี้เองถ้าเป็นนักบวชก็มักที่ไม่ีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา ถ้าเป็นคาลวาสก็ต้องเพิ่มทานเข้าไปอีกข้อหนึ่งเพราะคารวาสยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นบ่วงร้อยลัด จ, จิตใจไม่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเป็นเหมือนกับสมอเรือทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี่เหมือนสมอเรือถ้าอยากจะให้เรือนี้ วิ่งได้ล่นไปได้ก็ต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอเหลือก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ฉันใดถ้าเป็นคาราวาญาิโยมที่ยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองถึงแม้จะมีเก็บไว้ก็ต้องไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นของตน คือความที่จะให้เขาจากไปหมดไปแต่ถ้ายังไม่หมดก็ไม่วิตกไม่กังวลมีเก็บเอาไว้เผื่อใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นแต่จะไม่มีความวิตกกังวลกับการหมดไปของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีความอยากที่จะได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างใด อันนี้ต้องทําให้ไดถ้ถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะหยุดความอยากต่างๆก็จะต้องอสละทรัพย์สมบัติเข้าของหรือปล่อยวางไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าท้องเงินทองจะมีมากหรือน้อยก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอะไร มีมากก็มีไปมีน้อยก็มีไปคือจะไม่เอาสายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขจะอาศาัยเพียงแต่เฉพาะในการดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นนี่คือมรรคของคารวะก็คือทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนา ภาวนาก็มีสองส่วนสมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาถ้ามีมรรคเหล่านี้แล้วสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือมรรคผลนิพพานนี้เองดังนั้นในวันสําคัญในวันนี้คือวันอาสาหาบูชาวันที่ปรากฏขึ้นมาของแสงสว่างแห่งธรรมที่จะมาสงเคราะห์ ให้กับโลกให้กับสัตว์โลกได้มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่เราควรที่จะน้อมเข้ามารำลึกเอามาคอยเตือนใจว่าชีวิตของเรานี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละเวลา มาเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทดแทนบุญคุณด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะนี่คือเป็นการบูชาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแหคือผู้ที่บูชาเราตถาคต การสั่งสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ไม่ส่งปรารถนาอะไรจากพวกเราสิ่งที่อยากจะได้จากพวกเราก็คืออยากจะเห็นพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้เท่านั้นถ้าพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาก็จะทําให้พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีความสุข เหมือนกับเราได้ทดแทนบุญคุณให้กับท่านดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราเจริญมักให้มากนี้เอามาเป็นงานของเราที่เราจะพยายามทำกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือทานศีลภาวนา ถ้าเราทำได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับแล้วก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับภพบชาติก็จะมีจํานวนน้อยลงไปตามลาดับจนหมดไปในที่สุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ ทำนโมธนาด้วยการให้พรเผื่อท่านที่มาแล้วอยากจะกลับไปก่อนจะได้ไม่ต้องรอรับพรทีหลังยะถาวาหรวาหาปุราปาริปุรินติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสมิจาตุ สัพเพบริยนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพหิตโยวิวัชฉันตุสัพพารโควินาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสาณิจังมุทาปะจายโน จตารโธรรมวัาติอายุวโนสุขังภาลาท่านที่ต้องการหนังสือหรือซีดีก็เชิญขึ้นมาหยิบได้ท่านที่ยังไม่ได้ถวายของอยากจะเข้ามาถวายก็เชิญเข้ามาได้ ถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามปัญหาก็ถามได้นะวันนี้มีคำถามนะมีอยู่คำถามเดียวไหมครับอาบอาบมาเลย ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับจากคุณมิกแมกนะครับนั่งสมาธิแล้วบางช่วงก็มีสมาธิดีมีสมาธิเร็วบางช่วงทำไมจิตไม่ค่อยสงบหรือนั่งนานแต่ไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีสมาธิเลยจะแก้ไขอย่างอย่างไรดีคะก็เพราะว่าสตินี่เอง ถ้าวันไหนสติดีวันนั้นก็จะนั่งสมาธิสงบง่ายถ้าวันไหนเผลอสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะสงบยากแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันถ้าวันไหนมีเรื่องราวเข้ามามากใจต้องคิดมากก็แสดงว่าสติอ่อนกําลังปล่อยให้ใจคิดมากจนเกินไป พอเวลามานั่งสมาธิก็นั่งแล้วก็ไม่สงบวิธีที่จะทำให้การนั่งสมาธิแล้วสงบก็คือต้องมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องพยายามเราเลกพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องเลื่อยเปื่อยคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาพยายามดึงกลับเข้ามาหาพุทธโธให้ได้ถ้าเราใช้พุทธโธ ได้ก็ใช้พุทธโธถ้าเราอยากใช้การสวดมนต์ได้ก็ใช้การสวดมนต์ก็ได้จะท่องบทไหนก็ได้ท่องอรหังสัมมาสวัสดิาโตสุปฏิปันโนไปก็จะดึงใจให้เข้ามาสู่ปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องต่างๆในอดีตพอเวลามานั่งสมาธิมาดูลมหายใจเข้าออกหรือมาบริกรรมพุทธโธ ใจก็จะไม่ไปเรื่องอื่นพอไม่ไปเรื่องอื่นเดี๋ยวเดียวใจก็เข้าสู่ความสงบได้เนั้นปัจจัยที่จะทําให้การนั่งสมาธินี้สงบหรือไม่สงบก็คือสตินี่เองสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงจิตที่เป็นเหมือนลิงให้เข้ากรงถ้าเราจะจับลิงเข้ากรงโดยไม่มีเชือกนี้เราจะไล่จับมันไม่ได้เพราะมันวิ่งเร็วกว่าเรา แต่ถ้าเราอยากจะจับมันเข้ากรงเราต้องเอาเชือกคล้ อ, องคอเป็นไว้ถ้าเชือกคล้องคอลินได้แนละ้วเราก็ดึงมันลากมันเข้ามาในกรงได้การใดจิตก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้จิตสงบจิตเข้าไปในสมาธิเราก็ต้องมีสติเป็นเหมือนเชือกที่จะดึงจิตให้เข้ามาสู่ความสงบเราจึงต้องเจริญสติอยู่เรื่อย ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเป็นไปได้สำหรับนักปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้กันจะเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัตินี้จะไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นคือเป็นนักบวชจะอยู่วิเวกอยู่ตามลำพังจะไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่มีอะไรมาทำให้ใจต้องเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง พอมีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธินี่ก็จะสามารถบังคับให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ถ้าให้อยู่กับลมก็จะอยู่กับลมอย่างเดียวถ้าให้อยู่กับพุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวพอจิตมีอารมณ์เดียวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบดังนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็รู้ได้เลยว่ามันเกิดจากการไม่มีสตินี่เอง ไม่ใช่เกิดจากอะไรและการที่ไม่มีสติก็คือเกิดจากความขี้เกียดนี่เองเกิดความเกียรคร้านไม่ขยันที่จะเจริญสติถ้าเราขยันมีสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบก็คือเพียรสร้างสติเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราเพียรสร้างสติอยู่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็ตั้งสติเลย จะใช้พุทธโธก็ท่องพุทธโธไปเลยก่อนจะลุกขึ้นก็พุทธโธอยู่ในใจแล้วพอลุกขึ้นยืนเดินเข้าห้องน้ําทําหน้าที่อะไรต่างๆก็พุทธโธไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่ไปคิดเร่องนั้นเรื่อ ง, งนี้ได้เวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่กับเรื่องเดียว ให้อยู่กับลมก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธพออยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไม่ไปไหนมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบนี่คือเคล็ดลับของการทำสมาธิให้ได้ให้ได้ผลขึ้นมาอยู่ที่การเจริญสติการจเจริญสติได้ก็ต้องมีความขยันที่จะเจริญแล้วก็ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากสิ่งที่จะมาคอยดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในป่าในเขานีนจะไม่มีอะไรมาดึงใจไปถ้าอยู่ในบ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ในเมืองจะมีสิ่งต่างๆมาคอยดึงใจไปเรื่อยๆมองเห็นอะไรก็จะมีเรื่องให้คิดอยู่เรื่อยได้ยินอะไรก็จะทำให้คิดอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันที่จะตั้งสติได้ เราไม่มีสติเวลานั่งสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทําให้จิตสงบได้นี่คือเหตุปัจจัยที่จะทําให้การนั่งสมาธิได้ผลดีก็คือต้องขยันเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องปลีกวิเวกอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าเกิดความง่วงเหงาหานอนก็จะต้อง ใช้อุบายของการรับประทานอาหารให้น้อยเช่นควรจะถือศีลแปดคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้ารับถือถือศีลแปดแล้วยังง่วงนอนอยู่ก็ต้องฉันมือเดียวรับประทานมือเดียวถ้ารับประทานมือเดียวก็ยังง่วงอยู่ก็ต้องรับประทานสองวันสองสามวันค่อยรับประทานสักครั้งหนึ่ง อดอาหารไปดื่มแต่น้ำเรือเครื่องดื่มเช่นน้ำผลไม้รื อ, อะไรที่ดื่มแล้วทไม่ทำให้หนักท้องไม่ทำให้ง่วงนอนก็จะแก้ปัญหาเรื่องของความง่วงนอนได้หรือถ้าอดไม่ได้ก็ต้องไปหาที่อยู่ที่น่ากลัวเช่นไปอยู่ในปา่าช้าอยู่ในป่าที่มีเสียงสาราสั์ ก็จะทำให้จิตเตื่นขึ้นมาจะเวลาอยู่ในที่ที่มีภัยรอบตัวนี้จะจะไม่ง่วงเหงาเหงานอนจะมีความตื่นตัวมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่คือเป็นอุบายต่างๆที่นักปฏิบัติจะต้องขนขวายผลิตขึ้นมาถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิจาเป็นจะต้องมี อุบายต่างๆไว้สําหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่จะทําให้จิตไม่สงบนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันที่เรียกว่านิวรหานิวรหะก็คือหนึ่งวิจิกิจชาความสงสัยความสงสัยว่าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าการจเจริญสติแล้วจะทําให้จิตสงบได้จริงหรือเปล่า การอดอาหารนี่จะทำให้ไม่ง่วงนอนหรือเปล่าการอยู่ในป่าจะทำให้การเจริญสตินี้ดีหรือเปล่าอันนี้ถ้าสงสัยก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีประสบะการณ์ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วจะได้เล่าให้ฟังจะได้ยืนยันรับรองว่าได้ผลจริงดีจริงพอเราได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบะการณ์แล้ว ก็จะทำให้ความสงสัยนี้หายไปได้เราก็จะมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติตามนี่ก็คือวิธีหนึ่งปัญหาอันนึงก็คือความสงสัยลังเลสงสัยไม่มั่นใจข้อที่สองก็คือความง่วงเหงาหานอนก็ต้องใช้การอดอาหารหรือการอยู่ที่น่ากลัวก็จะทำให้ไม่ง่วงนอน ถ้าถ้าเรื่องของการมีการอารมณ์อยากดูอยากฟังอยากเห็นอยากดื่มอยากรับประทานอันนี้ก็ต้องถือศีลแปดถือศีลแปดก็จะรับประทานหลังจากเที่งวันไปแล้วไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าถือศีลแปดมันก็จะช่วยตัด เรื่องของการมาฉันทะได้แล้วก็ถ้าเกิดความฟุง้งซ่านจิตคิดมากคิดไม่หยุดไม่หย่อนก็ต้องใช้การเจริญสติบริกรรมพุทธโธสู้มันมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้พุทธโธหยุดมันให้ได้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉย ถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนแล้วก็จะเกิดความอยากความวิตกกับความกังวลต่างๆตามมานี่คือเรื่องของนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบถ้ามีความโกรธก็ต้องใช้ความเมตตาเช่นโกรธคนนั้นโกรธคนนีนนน้เวลามานั่งสมาธิก็นั่งไม่ลง นั่งไม่สงบก็ต้องแผ่เมตตาก็คือให้อภัยไม่จองเวรไม่ถือโทษโกร i เคืองคิดว่าเป็นการใช้หนี้กันไปเราคงไปทาอะไรให้เขาไม่พอใจเขาจึงมาทำให้เราไม่พอใจทำให้เราโกรธแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่การดับความโกรธของเรานี้เราดับได้ด้วยการยอมแพ้คือไม่เอาเรื่องเอาเรา แพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าเรายอมแพ้ปล่อยเขาทำไปเขาก็ทำไปแล้วสิ่งที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วเราอย่าไปจองเวรจองกรรมจะทำให้ใจของเราโกรธต่อไปอีกพอเราไม่ถือโทษโกดเครื่องให้อภัยใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้กลับมานั่งสมาธิดานี่นี่คืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น เวลาที่จะทําใจให้สงบถ้ามีอุปสรรคเหล่านี้เราก็ต้องเจริญธรรมะที่จะมาแก้กันเช่นคนที่มีการบัลมอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของเขาดูในส่วนที่ไม่สวยงามเช่นดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ภายในใตภายใ ต, ใต้ผิวหนัง ดูหัวใจดูตับดูปอดดูลำไส้แล้วดูสิ่งที่เป็นปฏิกูลอุจจาระปัสสาวะในตัวของเขาแล้วดูกลิ่นที่ไม่น่าไม่น่าปรารถนาเวลาที่ไม่ได้อับนะเวลาที่พายลมออกมาในพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่เป็นปฏิกูลก็จะทำให้ดับกามอารมณ์ได้ ถ้ามีการบันลมในนั่งสมาธิยังไงก็นั่งไม่ได้สงบไม่ได้เพราะมันจะคิดถึงแต่คนนั้นคนนี้ที่อยากจะร่วมหลับนอนร่วมเสพกามกับเขาถ้ามีความอยากรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานไปแล้วก็ยังอยากจะรับประทานอีก <c oughs> ก็ให้ดูอาหารพิจารณาอาหารตอนที่อยู่ในปากเราบ้างว่าเป็นอย่างไร เวลาที่เราเคี่ยวผสมกับน้ำมันอผสมกับน้ำลายมันอเรเด็ดอร่อยเยอะเกินลองคลายมันออกมาใส่จานใหม่ดูแล้วตักเข้าไปในปากหน่ยแล้วตักเข้าไปใหม่ดูดูซิว่าจะกินได้ไหมอาหารที่แสนอเรเด็ดอร่อยที่เราคืนเข้าไปในท้องอาเจียนมันออกมาแล้วก็ลองตักเข้าไปกินใหม่ได้หรือเปล่าให้มองถึงอาหารส่วนนั้นอย่าไปมองแต่อาหารที่อยู่ภายในจาน ถ้ามองแต่อาหารที่อยู่ภายในจานมันก็จะหิวจะอยากกินแต่ถ้าเห็นอาหารที่อยู่ในปากที่ถูกเคี้ยวถูกบดแล้วก็ผสมกับน้ำลายถ้าเห็นในสภาพอย่างนั้นก็จะกินไม่ลงโดยเห็นตอนที่มันอยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมาหรือตอนที่มันอยู่ในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมานี่ก็มันก็เป็นอาหารทั้งนั้นแหละอาหารในสภาพต่าง ถ้าเราเห็นในสภาพที่ไม่น่าไม่น่าอยากรับประทานมันก็จะไม่อยากรับประทานอันนี้ก็คือวิธีแก้สําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารมากจนเกินไปหรือจะใช้วิธีเองก็คือใช้ขันติใช้การลงโทษถ้าหิวอยากจะกินก็ไม่กินมันสักสามวันไปเลยตัดปัญหาไปเลยคือให้มันกินมื้อหนึ่งแล้วมันยังอยากจะกินอีกก็หมอนี้ อย่าไปกินมันเลยทัก3ามือดูอดอาหารไปเลยนะถ้ามีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญมีกำลังที่จะต่อสู้กับความหิวอาหารได้พอมันถูกลงโทษนี้ต่อไปมันจะไม่กล้าหิวไม่กล้าอยากมันจะเข็ดมันจะกลัวเราไม่ลงโทษมันมันเวลามันอยากกินเราก็โอ้ยนี่พามาประเคนให้มันเลยอยากจะกินอะไรเหรวหา ม, มาเลย อย่างนี้มันก็ได้ใจเลยถึงเวลาันอีกนวมันก็ยังอยากจะกินอยู่ร่างกายมันถึงกลายเป็นตุ่มกันเนยทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีความเด็ดเดี่ยวกับความอยากเลยอ่อนแอกับความอยากมากเวลาเกิดความอยากแล้วนี่สู้มันไม่ได้ต้องทำตามใจมันเสมอจนถึงต้องไปเสียเงินเสียทองรีดไขมันออก ต้องไปออกกําลังกายให้แสนยากแสนลําบากเออันนั้นไม่ได้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานมากๆแล้วก็ไปกระโดดโลดเต้นรีดให้มันไขมันเหงือมันแตกออกมามันกินเข้าไปร้อยมันรีดออกมาแค่ยี่สิบเท่านั้นเองแล้วมันจะมีวันหรือที่มันจะหายหายจากการมีน้ําหนักเกินมันไม่มีวันเป็นไปได้หรอก ถ้าอยากจะลดน้ําหนักก็อย่าไปกินมันเท่านั้นเองอันนี้เป็นตรรกะง่ายๆแต่ทําไมมนุษย์เราที่แสนฉลาดกัดงโอดแสนโง่วิธีที่จะลดน้ําหนักก็คืออย่าไปเติมน้ําหนักสิมันก็หมดเนื่องอยากจะลดน้ําหนักแต่ยังเติมน้ําหนักอยู่นั่นมันจะลดได้อย่างไรอยากจะลดน้ําหนักก็อย่าไปเติมน้ําหนักอย่าไปกินมันกินให้มันน้อยเช่นใคยกินวลาสองโลก็ลดเหลือแค่โลหนึ่ง ไปร้นเหลือแค่ครึ่นโลอย่างเงี้ยต่อไปไม่กี่วันมันก็น้ำหนักมันก็หายไปเองนี่คือวิธีง่ายๆแต่ยากสำหรับผู้ที่มีความอยากแต่ถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบเนี่เราต้องยินดีที่จะเสียสละความสุขที่เกิดจากการรับได้ที่ได้จากการรับประทานอาหาร ถ้าเราลักพี่เสียดายน้องเราจะไม่ได้ถ้าเรายังอยากกินอาหารอยู่กินแล้วมันก็ง่วงนอนเขากินอิ่มแล้วมันจะมองแต่หาหาแต่หมอนคิดแต่หาหมอนอย่างเดียวทางตรงกลมไม่คิดถึงการนั่งสมาธินี้ไม่คิดถึงนั่งก็หลับนั่งก็สับะงกคอพับไปหลับในท่านั่งสมาธิ นี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติสมาธิกันมีนิวรณ์อยู่ห้าข้อด้วยกันคือวิจิกิจชาความดังเลสงสัยความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านความการอารมการมาฉันทะแล้วก็ความโกรธความไม่พอใจเวลาจะนั่งสมาธิจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่รู้จักวิธี ที่จะกำจัดมันก็กจะไม่มีวันที่จะสามารถนั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบได้เลยดัง น, นั้นขอให้พวกเราศึกษาถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราจะนั่งสมาธิกันเนี่ยสาเหตุที่พระต้องไปอยู่ป่าช้ากันไปอยู่ตามป่าตามเขากันก็เพราะว่าจะได้แก้ปัญหาเรื่องของ ความง่วงนอนนี่เองส่วนหนึ่งแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการมลลมเพราะถ้าเราไปอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างใจจากห่างไกลจากอาหารอย่างนี้ก็จะไม่มีอาหารให้รับประทานก็จะไม่ง่วงเหงาเอนจะไม่รับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็จะไม่มีการมลลมเกิดขึ้น จนเวลาจิตฟุ้งซ่านก็เพราะว่าไม่จารณ์สติปล่อยให้จิตคิดไปดเรื่อยแถ้าไม่อยากจะฟุ้งซ่านก็ต้องคอยวควบคุมความคิดเอาไว้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรถ้าลังเลสงสัยก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังการปฏิบัติของท่านไปฟังเรื่องผลที่เกิดจากการปฏิบัติของท่าน ว่ามันเป็นอย่างไรมีมีจริงหรือไม่พอได้ยินได้ฟังผลที่เกิดจากการปฏิบัติของท่านก็จะทําให้เราหายสงสัยได้เห็นว่าท่านอดอาหารเพราะอะไรอดอาหารแล้วทาให้กําจัดความง่วงเหงาหงานอนไปอยู่ในปาาอยู่ในที่เงียบๆที่สงบก็จะทําให้อ่อไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีกามฉันทะ นีคือวิธีการต่างๆที่จะช่วยทําให้ใจของเราสงบเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วใจมีปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาตอนนี้เป็นอะไรถ้ามีการอารมณ์ก็ต้องคิดถึงอสุภะความไม่สวยงามหรือปฏิกูลความสกปรกของร่างกายถ้ามีการมัฉันทะอยากจะรับประทานอาหารก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าอยากจะดูอยากจะฟัง ก็เปัญจนาว่าสิ่งที่ดูที่ฟังนี้มันไม่ได้ทําให้ใจเราสงบมีแต่จะทําให้ใจเรฟาฟุ้งซ่านเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะสามารถแก้ปัญหาแก้อุปสรรคที่จะมากีดกัน้นการทําใจให้สงบได้การได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้อยู่กับผู้ที่มีประสบ ป, ปการณ์นี้จะเป็นประโยชน์มาก เพราะท่านจะคอยแก้ปัญหาให้กับเราคอยแนะแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะท่านผ่านมาแล้วทั้งทางที่ผิดและทางที่ถูกทุกคนนี้ต้องไปผิดทางกันก่อนถึงจะไปเจอทางที่ถูกได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยสอนคอยเตือนก็จะไปผิดทางแล้วก็จะกูไม่กลับ แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์พอเดินนอกออกนอกรูนอกทางท่านก็จะคอยเตือนอยู่เรือ่อยๆครูบาอาจารย์นี้ถึงเรียกว่าเป็นกรัญญานมิตรผู้ปฏิบัติธรรมนี้จําเป็นจะต้องมีกรัญญานมิตรถึงจะไม่หลงทางถึงจะปฏิบัติไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้การัญญานมิตรที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า ลองลงมาก็คือภาษาวกทั้งหลายตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยภาษาวกพระที่เป็นสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเป็นการายานมมิตก็คือการเข้าหาท่านเพื่อได้รับการอบรมฟังเทศฟังธรรมฟังประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วนำเอามาใช้กับการปฏิบัติของเรา เราก็จะปฏิบัติเก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีวันถดถอยไม่มีวันหลงทางทางพระพุทธศาสนาจึงบังคับเวลาที่พระบวชใหม่นี้จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาไม่ให้ไปอยู่ตามลำพังเพราะเปรียบเหมือนกับเป็นเด็กทารกที่คลอดใหม่ต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู คอยสอนให้รับประทานคอยสอนให้ดูแลรักษาร่างกายสอนให้เยอะสอนให้เดินให้ยืนให้อะไรต่างๆสอนให้พูดถ้าไม่มีพ่อแม่คอยสั่งคอยสอนก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วปล่อยให้เด็กดูแลตัวเองนี่เด็กก็จะต้องตายไปอย่างแน่นอนกานภาพบวชใหม่ก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนทารกที่คลอดใหม่ จำเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ห้าพันษาขึ้นไปแล้วก็ถ้าได้ห้าพันษาแล้วถ้าครูบาอาจารย์ยังเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ก็ยังจะไม่ปล่อยจะต้องให้อยู่กับครูบาอาจารย์ต่อไปบางท่านอาจจะอยู่ถึง 10, สิบพันษายี่สิบพันษากว่าจะกล้าออกไปอยู่ตามลาพังได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่ในหมายความว่าจะต้องมีครูบาอาจารย์มานั่งสมาธิกับเราครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะแนวเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้บอกทางแต่เวลาปฏิบัตินี้ท่านไม่ต้องมาปฏิบัติกับเราเวลาเดินจงกรมท่านไม่ต้องพาเราเดินเวลานั่งสมาธิไม่ต้องพาเรานั่งเพราะเรารู้แล้วว่าวิธีนั่งนั่งอย่างไรเวทีเดินเดินอย่างไรเราก็ทาของเราไป ถ้าจะให้ท่านมาพาเราแล้วเราพวกเรามีเป็นเป็นน้อยแล้วท่านจะมาพาพาเราเดินพาเรานั่งไหวเลยท่านเป็นคนคนเดียว mm hmm. ก็เหมือนกับอาจารย์ที่โรงเรียนที่เราไปเรียนหนังสืออาจารย์ก็ไม่ได้กลับมาบ้านกับเรามาทำการบ้านให้กับเรา mm hmm. อะไรต่างๆ mm hmm. เราต้องทำเองดูหนังสือเองทาการบ้านเองเวลาเข้าห้องเรียนก็ตั้งใจฟังเท mm hmm. ่านั้นก็พอ หน้าที่ของอาจารย์ก็มีหน้าที่คอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาให้ถ้ามีปัญหาก็ถ่ายถามได้ติดขัดอยู่ตรงไหนเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่าอะไรกันแน่เป็นเหตุที่ทำให้เป็นปัญหานี้อยู่แต่ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าอะไรเป็นเหตุก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับเราได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว จึงจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าไปได้ครูบาอาจารย์ที่รู้ผิดก็จะได้ความรู้ที่ผิดผิดมาดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์รูปใดก็ขอให้ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักศึกษาประสูตรคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเช่นมงคลสูตร หรืออย่างวันนี้วันอาสาหบูชาก็ศึกษาธรรมจักกบปวัตตนสุอันนี้แหละคือคำสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมคือพระปัญจวคีทังห้าสอนอริยสัจสี่สอนมรรคแปดถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จกั 4, มจกมรรคด ไม่รู้จักการยึจังทุกขังอนัตตาก็แสดงว่าโง่หรือว่าไม่สนใจที่จะศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราจะไปรู้ทางที่ถูกต้องได้อย่างไรอันนี้มีอยู่ในคำเภีร์ทุกคนเข้าไปค้นหาอ่านได้ในสมัยนี้ก็หาได้ในอินเทอร์เน็ตต้องการอยากจะอ่านพระสูตรอันไหนก็เขียนชื่อพระสูตรเข้าไปก็จะมีพระสูตรนั้นออกมา พศสำคัญสาคัญก็มีอยู่ 2, สองสองสามพศเท่านั้นแหละโือพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรมงคลสูตรสติปัฏฐานาสูตรเนอนัตตลกคณะสูตรเนี่ยถ้ารู้พระสูตรอันนี้ก็จะไม่หลงทางใครสอนอะไรถ้ามันออกนอกรูนอกทางเราก็จะรู้ทันทีดังนั้นเราต้องขวอยคว้า ศึกษาก่อนดูแผนที่ก่อนก่อนที่จะออกเดินทางต้องดูแผนที่ก่อนว่าทางที่เราจะไปนั้นไปทางไหนไม่ใช่ไปโดยไม่ต้องศึกษาแผนที่ไปแล้วค่อยไปไปศึกษาระหว่างทางจะไปรู้ได้ยังไงว่าทางที่เราเดินนั้นถูกหรือไม่ถ้าไม่มีแผนที่ถ้าไม่มีคนบอกทางดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการในการดำเนินปฏิบัติทางของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติธรรมแปลว่าการศึ ก, ศกษาทางที่จะพาให้ไปสู่การบุดพ้นจากความทุกข์แล้วการแสดงธรรมของพระเจ้าแต่ละครั้งก็เป็นการสั่งสอนทางนี้เองเช่นธรรมจักรที่ทรงแสดงไว้ในวันอาาบูชา ก็เป็นทางที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปเป็นคำสอนที่ชี้เหตุว่าความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากและการที่จะดับความทุกข์ดับได้อย่างไรก็ต้องดับด้วยการหยุดความอยากและอะไรเราที่จะทำให้หยุดความอยากไนดะ้ก็คือมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือมรรคที่มีองค์แปดนี้เอง มีชื่อต่างกันแต่สาระนี้เป็นอันเดียวกันถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเช่นเราทำบุญนี้เราไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยเราทาบุญเพื่อหยุดความอยากเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขเราก็หยุดมันเสียเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญอันนี้ก็เรียกว่าหยุดความอยากเวลาเราจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทาบา เราก็หยุดมันเราก็หยุดความอยากเราถือสี่ห้าเราก็หยุดความอยากได้อยากจะฆ่าคนก็ฆ่าไม่ได้อยากจะลักทรัพย์ก็รักไม่ได้อยากจะโกหกก็โกห ก, กไม่ได้นี่ก็คือเป็นการยะหยุดความอยากอีกรูปแบบหนึ่งเวลาเจริญสติควบคุมความคิดแม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการหยุดความอยากอเหมือนกันความอยากคิด ความอยากคิดเพราะคิดแล้วก็จะเกิดความอยากทำนู่นทานี่อยากมีนั่นนี้่ามาพอหยุดความคิดได้ความอยากก็จะหยุดไปแล้วพอจะตัดความอยากให้ถาวรก็ใช้ปัญญาสอนว่าอยากไปอยากได้อะไรอยากไปอยากมีอะไรเพราะความอยากนี้ไม่ได้ทำให้เราได้ความสุขที่แท้จริงนอกจากไม่ได้ความสุขแล้วจะได้ความทุกข์ตามมา เพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะต้องมีวันหมดไปเวลาได้มาเราดีใจแต่เวลาหมดไปเราจะเสียใจนี่คือปัญญาถ้าสอนใจด้วยปัญญาแล้วใจจะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่อยากจะได้ความทุกข์นั่นเองเพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรธิดาเป็นเงินทองเข้าวของอะไรต่างๆ มันมีวันหมดได้ของพวงนี้สักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปเวลามันจากเราไปเวลานั้นเราจะทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปมีสามีอย่าไปมีภรรยาอย่าไปมีทรัพย์สมบัติเข้ า, ข, าของเงินทองถ้ามีก็มีเท่าที่จําเป็นมีไว้สหรับเลี้ยงดูร่างกายถ้าหมดก็ถือว่าถึงเวลาตายเท่านั้นเองถ้ายอมตายก็ไม่มีปัญหาอะไร พอดูดีว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายไปอยู่ดีนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าคิดแบบนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นใจจะอยู่ท่ามกลางอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นการดับของทรัพย์ของสมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องมาอยู่แบบขอทานก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อน สูญเสียคนรักไปก็ไม่ร้องห่มร้องไห้สูญเสียลูกสูญเสียอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนดีสเสอีกไม่ต้องเลี้ยงมันให้เหนื่อยยากอยู่คนเดียวสบายกว่ามีลูกอย่าไปคิดว่ามีความสุขต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงมันกว่ามันจะโตนี่ไม่รู้จะหมดเงินทองไปสักเท่าไหร่ถ้ามันจะจากเราไปก็ดีถือว่าหมดเวรหมดกรรมกัน <c oughs> นี่คือคิดด้วยปัญญาจะคิดแบบนี้ถ้าคิดด้วยกิเลสก็เอ๊ยไม่เป็นไปไม่ได้รักเขาห่วงเขากลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คิดแบบกิเลสพอเขาจากไปก็เศร้าโศกเสียใจแทนที่จะมองในแง่บวกว่าดีจะได้หมดภาระกันไม่ต้องมาเลี้ยงดูกันไม่ต้องมาคอยห่วงมาคอยห่วงกัน นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, อยฟังจากพระบ้างอ่านจากหนังสือของพระพุทธเจ้าบ้างเพื่อเราจะได้มีการเปรียบเทียบดูว่าพระที่สอนนี้สอนถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามัวแต่ฟังเทศฟังธรรมของพระเราก็ไม่รู้ว่าท่านพูดถูกหรือไม่ จริงหรือไม่บางทีเราก็ไม่รู้ดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาการให้ถ่องแท้ให้เรารู้ว่าคำสอนของพระเจ้านั้นสอนให้เราทำอะไรกันแล้วเราก็จะไปหาพระรูปอื่นก็ได้เพาะท่านจะช่วยเสริมถ้ามีประสบประการณ์ท่านก็จะขยายอธิบายใ ห, ให้ให้ชัดเจนขึ้นก็ได้ถ้าท่านรู้จริงเห็นจริง ถ้าท่านไม่รู้จริงเห็นจริงท่านก็จะจพูดให้เรางงก็ได้ทำให้เราสรับสนก็ได้ถ้าฟังแล้วงงแล้วสับสนก็ถือว่าใช่ไม่ได้ถ้าขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระธเจ้าก็ถือว่าใช่ไม่ได้ถ้าเราไม่ศึกษาหลักธรรมไว้เราจะไม่ดูแลเราก็จะถูกหลอกได้ง่ายนี่แหละคือปัญหาของ ชาวพุทธเราทุกวันนี้ไม่ศึกษาหลักธรรมไม่ศึกษาจากต้นฉบับไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมของพระรูปนั้นรูปนี้โดยที่ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรพูดจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก่อจริงควรจะเสื่อมศรัทธาในพระที่ทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาศาสนาไม่มีวันเสื่อมคำสอนพระเจ้าเป็นของแท้ของจริงเราไม่ไปศึกษากันเองเทั้นเองพอไปศึกษาของปลอมเข้าพอรู้เข้าก็ทำให้เสื่อมกับของจริงไปด้วยอันนี้ไม่ถูกคำสอนพระเจ้าเป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลา เป็นคาสอนที่เป็นสวากขาโตพระกวาตาธรโมเป็นความสอนที่ถูกต้องตลอดเวลาตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถูกต้องเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดดังนั้นก็ขอให้เราเหมั่นศึกษาศึกษาแล้วก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติพอรับผลแล้วทีนี้ยิ่งไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าใหญ่เลยเพราะผลนี้มันจะยืนยันว่าเป็นความจริงทั้งนั้นเหมือนกับการที่เราเอายาจากหมอมารับประทานพอรับประทานแล้วโครคภัยไข้เจ็บหายไปเราจะไม่สงสัยในยาของหมอนี่เลยว่าเป็นยาที่รักษาโรคได้หรือไม่ยาจะยืนยัน ทำให้เรามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ทให้เรากล้าไปบอกผู้อื่นว่าถ้าเป็นโรคภัยแบบนี้กินยาแบบนี้แล้วรับรองหายได้อย่างแน่นอนนี่คือพระสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนบรรลุผลแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มายืนยันมารับรองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริง สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เป็นผู้มาประกาศสอนต่อแทนพระพุทธจเจ้าต่อไปถ้าไม่ปฏิบัติไม่บรรลุจะไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเราไม่รู้จริงไม่รู้ว่าธรรมะอันนี้ปฏิบัติแล้วจะดับความทุกข์ได้หรือไม่ยาชนิดนี้รับประทานเข้าไปแล้วจะรกักษาโรคภัยชนิดนี้ได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รับประทานยาจะไม่รู้แต่ถ้าได้รับได้ปฏิบัติได้รับประทานแล้วก็จะรู้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็จะรู้ว่าไม่ใช่ทางถ้ากินยาแล้วไม่หายก็รู้ว่าไม่ใช่ยาที่จะรักษาโรคนี้ได้ดังนั้นเราต้องยืนยันด้วยการปฏิบัติท่านเรียกว่าเป็นสันทิติโก คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันติโกก็คือผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์เองว่าจริงหรือไม่จริงมีผลหรือไม่มีผลต้องเกิดจากการปฏิบัติถึงจะรู้จริงเห็นจริงดังนั้นเราต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเมื่อบรรลุแล้วเราก็จะหายสงสัยเราก็จะเป็นผู้ที่จะมารับรองพระตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเผยแผ่คำสอนนี้ต่อไปให้แก่ผู้อื่นเพื่อเราจะได้ยืดอายุของพระพุทธศาสนาให้ยาวขึ้นไปอีกถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีใครมายืนยันมาเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ศาสนาก็จะหมดไปในที่สุดศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะถูกคนอื่นมาทำลาย ส า, า, าเสมเพราะชาวพุทธเราไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติจนบรรลุถึงผลนั่นเองถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุผลอยู่แาบนั้นพรอพุทธศาสาานายังจะไม่หมดไปจากโลกนี้ยังขอฝากเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมในวารนส า, ารบูชาที่พี่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมเป็นข้า้ง่างนี้ ให้พวกเราได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอันเลิศที่จะตามมาต่อไปก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีปัญหาอีกก็ถามมาได้บอกครับาเราจะอยู่ในปตาช้าหรือจะอยู่ในที่ที่มีสิาษาษา่งสาระที่ดุร้าย เราจะมีเครืมืออะทําให้เราไม่ตกอยู่ในสิ่งก็เราต้องมีความความมั่นใจว่าความตายนี้อยู่ที่ไหนก็หนีไม่พ้นมันอยู่ที่ไหนก็ตายได้ทั้งนั้นถ้าเรายอมตายแล้วก็จะไปอยู่ที่น่ากลัวได้ถ้าเราไม่ยอมตายเนี่ยเรายังกลัวความตายอยู่เราจะไม่กล้าเข้าไปแต่ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อย เพราะไม่ใช้ก็เร็วเราก็ต้องตายกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่จะปลอดภัยขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความตายได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะกล้าไปแล้วเราก็ต้องรู้มีความมั่นใจว่าพอเราเกิดความกลัวเราสามารถควบคุมความกลัวนี้ได้เช่นเรามีกําลังที่จะบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมใจได้เราก็อยากขึ้นไปไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นบ้าได้เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เราก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งก่อนว่าเราสามารถควบคุมความกลัวนี้ได้เวลาที่เกิดความกลัวขึ้นมาถ้ายัางควบคุมไม่ได้ก็หัดฝึกไปก่อนซ้อมไปก่อนจเจริญสติให้มากขึ้น บริกรรมพุทธโธให้มากขึ้นต่นอไปเราก็จะรู้เองนะว่าเราจะควบคุม ไ, ได้หรือเปล่าเราควบคุมได้แล้วทีนี้เราก็ไม่กลัวแล้วเราก็จะกล้าไปอยู่ในปา่าช้ากล้าไปอยู่ในป่าในเขาที่มีสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆอาจารย์ครับมีคาถามจับโยมด้านหลังฝากถามมาครับว่าในมุมมองของพุทธศาสนา รักสามเศร้าเกิดจากวิบากกรมอะไรจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับเกิดจากความอยากนี่แหละถ้าไม่อยากมันก็ไม่มีสามเศร้าสองเศร้าแล้วมันอยากมากมันมีสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าถ้าอยากน้อยมันก็มีเศร้าเดียวดงั้นมันอยู่ที่ความอยากความอยากมากหรืออยากน้อยคนที่อยากน้อยก็มีคนาหัวเดียวเมียเดียวเขาก็อยู่ได้ ถ้าเกิดมีคนอื่นจะมาแย่งผัวเมียไปก็ให้เขาไปหาใหม่ก็ได้เคล็ดนี้ก็จบดีสิจะได้ของใหมเ่เปลี่ยนใหม่บ้างเขาอยากจะได้ก็ยกให้เขาไปเลยทําทานไปเลยเออเท่านี้ก็จบละที่สามเศร้าก็พ่อหวงรักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างนี้มีแล้วก็หวงอย่าไปหวงยอมรับว่ามันเป็นอนิจจังมีมามีไปเป็นธรรมดา ถึงเวลาเขาจะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปห้ามเขาไม่ได้ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความอยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนหรอกถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีสามเศร้าสี่เศร้าหรือว่าปัญหาก็คือการมาเกิดนี่เองถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีปัญหาต่างๆถ้ายังกลับมาเกิดอยู่มันก็ต้องมีปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งมันก็เกิดจากความอยากทั้งนั้นความอยากของเราบ้างความอยากของคนอื่นบ้างมาผสมประสานกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าทุกคนสามารถควบคุมความอยากให้อยู่ในกรอบของศีลและธรรมได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีการประพฤติผิดตระเวณีมันก็จะไม่มีรักสามเศร้าสี่เศร้า เข้าใจไหมแค่นี้ก็นะั่นแหละเราไปมีความอยากเราก็ตัดความอยากเสสินะอยากจะให้เขาอยู่กับเรานมันก็มีมาทุกชาติแนละความอยากของเรามันมีอยู่ทุกชาตินะถ้าเราถ้าเราตัดความอยากได้เขาอยากจะไปได้เขาไปเขาจบนะนะเราหาใหม่ก็ได้คิดแค่นี้ก็จบลนะนะ ใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ทําไมตอนนี้ไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ขึ้นม า, า, มมมาก็าตัดมันสิก <c oughs> ็ <c oughs> ลูกก็ยกให้เขาไปเลยก็อยากได้ก็ให้เข้าไปก็ปจบเราสบายไม่ต้องเลี้ยงออแต่เขาไม่เอาเราก็เลี้ยงม่เห็นนอกไปแย่งกันเลยมันเป็นเป็นฐานไฟแท้ๆไปไปแย่งฐานไฟกันทำไม ใช่ไหมเขาอยากจะได้ก็เอาไปไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเราไม่มีความอยากความอยากคือเรามักอยากอยากจะจะเอาแพ้เอาชนะกันก็แลยเอาเรื่องสมบัติเอาเรื่องลูกมาเป็นเป็นตัวที่จะมาข่มกันเพราะอยากจะเอาแพ้เอาชนะกันเท่านั้นเองถ้าฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แล้วก็จบคุณอยากจะได้แล้วก็เอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยเรามาตัวเปล่ปาเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่ปา ให้คิดอย่างนี้บ้างมีใครอะไรไปได้บ้างอะ่ะลูกเราไปไม่ได้สมบัติก็ไปไม่ได้เวลาตายไปแล้วมาทุกข์กับมันทําไมเราไม่มีปัญญาไม่คิดกันยคิดว่าจะอยู่กันไปตลอดออะให้คิดถึงอ น, นิจจังบ้างไม่เที่ยงมีามามีไปมีเกิดมีดับเมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปมันก็จบแล้ว ถึงเวลานเราไปเราก็ไปนะเข้าใจแล้วนะว่าอย่างไรตออบาผมทุกตัวเนียครับอาอะไรชื่อไปทําไมไม่เอาตัวเราก็ไปสร้างมามีกระท่านทุกทุกองไม่ต้องไปสร้างทุกองอเอาองเดียวก็พอ เหมือนกันเอรถโตโยต้าห้าสิบคันมันก็เหมือนกันหมดทุกคันน่ะรถเบนซ์ห้าสิบคันมันก็เบนซเหมือนกันหมดน่ะเออเอาคันเดียวก็พอเวลาคุณขับรถคุณขับกี่คันน่ะคุณก็นั่งคันเดียวใช่ไหมครูบาอาจารย์องไหนใกล้เราเราสะดวกไปหาท่านก็เอาองนั้นอืฟังเทศฟังธรรมแล้วเข้าใจง่ายก็เอาองคนั้นก็ทํานั้นเอง อันนี้ก็มีไว้สําหรับบอกคนอื่นก็ได้เผื่อคนอื่นเขาไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ดีๆอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อเขาอยู่ใกล้เขาจะได้รู้กันบางคนที่มานี่บางคนก็บอกอ๋ออยู่ใกล้ตรงนี้เองไม่รู้เลยเพราะไม่มีใครบอกเมื่อก่อนเข้วงไบทางเนยทางนี้อุดรกันแต่ตอนนี้พอหลวงตาไม่อยู่ก็เลยต้องหาที่ไปกันใหม่ าา ก, ก็มาเจอว่าตรงนี้ก็มีเนี่ยหว่ <c oughs> ตอนนี้คนกรุงเทพก็ไปโพธารามเยอะเหมือนกันเารู้จักโพธรามได้ที่ไหนก็ได้ไปเถอะไปแล้วขอให้ได้ประโยชน์ก็ไปยิ่งมีที่ไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีขอให้ไปแล้วได้ประโยชน์เท่านั้นกลัวไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมา ไปแล้ว ก, กลับมาเหมือนเดิมไปแบบทัพพีในมมหม้อแกงเข้าใจมฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เกิดอาจจะไม่มีเกิดอาการกระเตื้องขึ้นมาที่อยากจะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดกลับมาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเช้าชามเย็นชามเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ไปเหมือนกับไม่ได้ไปอยู่ดีถ้าไปแล้วโ อ, โอ้เกิดความปลื้มปิติเกิด ความอยากที่จะปฏิบัติมากขึ้นออกบวชเลยเอออย่างนี้แหละมันถึงจะได้ประโยชน์กลับมายังก็อย่างกลับมานอนกับภรรยาอยู่เหมือนเดิมนี่มันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมงั้น <c oughs> ดูที่ตัวเราดีกว่าอย่าไปดูที่ครูบาอาจารยา์ดูที่ตัวเราว่าเร า, าพับเราปรับปรุงตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองได้หรือเปล่า หรือวันคืนผ่านไปเวลาผ่านไปเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนใบาลานเปล่าโพธิลัตใบาลานเปล่าอยู่ไปเปล่าเปล่ากินไปเปล่าเปล่าตายไปเป่าเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์จากการเกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าเลยอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆพระพุทธเจ้ายัางว่าเป็นใบาลานเปล่าเนี่ยก็คือไม่ปฏิบัติกัน โมแต่ศึกษาว่าครูบาอาจารย์องไหนอยู่ตรงไหนท่านสอนอะไรพอไปฟังแล้วก็ไม่เอามาปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะคืบหน้าเจริญก้าวหน้าได้การจะเจริญก้าวหน้าต้องอยู่ที่การปฏิบัติการศึกษาก็จําเป็นแต่เมื่อศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าปฏิบัติโดยไม่ศึกษาก็เกิดโทษได้หลงทางได้ การศึกษาสำคัญแต่การปฏิบัติก็ต้องสำคัญด้วยต้องไปควบคู่กันถึงจะเกิดปฏิเวศเกิดผลขึ้นมาได้เราก็ศึกษามาหลายอาจารย์แล้วรู้หมดแล้วเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรได้ฌานได้สมาธิกันหรือยังจิตรวมหรือยังเนี่ยคือปัญหาที่เราควรจะถามตัวเราเอง ไปหาูบาอาจารย์กี่รูปท่านก็จะสอนแบบเดียวกันให้เจริญสติให้ทาใจให้รวมให้ได้อันนี้การนุโมทนาแต่มันทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองเป็นบุญแต่บุญน้อยน้อยกว่าบุญที่จะได้จากการปฏิบัติทำใจให้สงบ ง, งานงานแบบนี้ทําพอประมาณแล้วก็ควรจะก้าวขึ้นสู่งานที่ละเอียดขึ้นไปก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลแปะเปกวิเวกมันพระก็ควรจะไปเปกวิเวก อ, อยู่ห่างไกลจากครอบครัวสักวันหนึ่งไปอยู่ตามวัดก็ได้อยู่ที่ไหนที่ไม่ต้องเกี่ยว ข, อ ข, อข้องกับครอบครัวสักวันหนึ่งเขาถืออุโบสถ ส, สีนกันก็ไปอยู่วัดกัน ถึงบ้านหนึ่งวันเป็นนักบวชหนึ่งวันถึงแม้ว่าจะไม่เป็นนักบวชอาชีพก็ขอเป็นนักบวชสมัครเล่นอย่างนักกีฬาสมัครเล่นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปเข้าสนามกีฬากันเราเป็นนักบวชสมัครเล่นเราวันพระวันหยุดเราก็ต้องไปอยู่วัดกันไปถือศีลถือสีลแปดไปภาวนากันเราถึงจะเจริญก้าหน้าได้ ถ้าเราไม่ทำมันก็จะติดอยู่ที่เดิมจะไม่ก้าวหน้ า, านอะจัรครับอ่สภาวะจิตนะครับมันมันนิ่งมันนิ่งไปมากเลยครับมันนิ่งแบบถึงว่าอ่าอยากตอนเช้าเียวันนี้จะมาที่วัดเนี่ยตอนเช้าเราก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อนแล้วงานเราเนี่ยมันเหมือนสบล่างอะมันทำไปเองโดยที่เราเนี่ย จิตมันมันนิ่งจนเหมือนกับว่ามันนิ่งจนทื่อพระอาจารย์แต่ว่าร่างกายมันก็ยังทํางานได้ปกติอย่างนี้เราต้องทําอะไรเพิ่ไมไหมครับหรือพิจารณาอะไรเพิ่อม อ, อ๋อ<ม>คือภาว่จิตของเราเนี่ยมันขึ้นขึ้ น, นลงๆได้ขึ้นอยู่กับการทํางานของกิเลสของธรรมถ้าวัานไหนธรรมเป็นผู้นําวันนั้นก็จะสงบจะเย็นจะสบายถ้าวัานไหนกิเลสเป็นผู้นําวันนั้นก็จะวุ่นวาย อันนั้นวันนี้คุณตั้งใจจะมาวัดทำเป็นผู้นำมามันก็มันก็สงบเย็นสบายทำอะไรไม่วุ่นวายแต่ถ้ากิเลสเป็นผู้นำวันนี้อยากจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งอันนี้มันจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีว่าจะไปหาคนนี้จะกู้เงินจากเขาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะต้องไปกู้จากใครอะไรทีนี้มันจะวุ่นวายละมันอยู่ที่ว่าวันไหนมีใครเป็นผู้นำ จิตของเรานี้มันยังพลิกไปพลิกมาอยู่เรายังไม่สามารถสั่งให้มันมีธรรมเป็นผู้นําไปได้ตลอดเวลาว่าะช่วงนี้อาจจะมีธรรมวันพรุ่งนี้หรืออาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางบ้านหรือทางบริษัทของคุณมีปัญหาจะต้องแก้อันนั้นแล้วอันนั้น จ, จะเกิดกิเลสเป็นผู้นําขึ้นมาวันนั้นก็จะวุ่นวายได้บางท่านมาวัดได้อย่างสม่ําเสมอพอ มีเหตุการณ์รุนแรงทางบ้านทางครอบครัวก็มาไม่ได้แล้วเพราะจิตมันวุ่นกับการที่จะแก้ปัญหาต่างๆดังนั้นก็ขอให้เรารู้ก็แล้วกันว่าสภาวะจิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงอยู่ที่ว่าเราจะมีอะไรให้เป็นตัวนำจิตถ้าเราสามารถมีทำนำจิตมันก็จะสงบ เพิ่มขึ้นไปตามลําดับถ้ามีกิเลสเป็นตัวนํามันก็จะทําให้จิตเราเสือ่อมทําให้จิตเราวุ่นวายมันมันเหมือนกับว่ามันนิ่งๆครับอาจารย์นิ่ ง, น ง, นงจนเหมือนพื่อแล้วอาจารย์แต่ว่ามันกลับทําำสิ่งที่ต้องทําได้จนเหมือนกับร่างกายมันไปของมันเองแต่ว่าจิตมันจะพื้นๆพระบอาจารย์เลยไม่รู้ว่าอ่าต้องพิจารณาอะไรเพิ่มอะไรนี้ไหมครับอาจารย์ มันไม่มีปัญหาจะไปพิจารณามันทําไมใช่ไหมคนไม่คนนั่งกายสบายดีคนไปหายามากินหรือเปล่าฮะไว้ปวดท้องก่อนหนึ่งแล้วก็หายามากินฮะเห็นมันคืดๆก็เลยมันคืดจันสิว่ามันนิ่งอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับถ้าอยากจะทําก็สอนว่ามันไม่บอกว่ามันไม่เป็นอย่างนี้ไปทุกวันนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเรื่องราวขึ้นมาเราอาจจะจําลองเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนก็ได้ อ่าคนนั้นตายจากเราไปคนนี้จากเรามาจากเราไปคนนี้มาด่าเรามาว่าเรามากันแกล้งเรามาสร้างปัญหาต่างๆให้กับเราเราอย่างถ้ปล่อยให้มันทื่ออย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องจําลองเหตุการณ์เพื่อจะได้เตรียมรับกับเหตุการณ์เหมือนกับทหารตอนนี้บ้านมมเมืองสงบใช่มแต่ทหารเขาไม่อยู่เฉยๆบ้านเมืองจะสงบอย่างไรเขาก็ต้องซ้อมลบของเขาอยู่เรื่อยๆเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป เราก็ต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนจะช้าห ร, หรือจะเร็วจะมากหรือจะน้อยทา่านเองอเราต้องคิดว่าลาบยศเสริรเสริญที่เรามีอยู่ในวันนี้มันก็เสื่อมได้มีเงินระดับนี้พรุ่งนี้อาจจะลดเดี๋ยวครึ่งหนึ่งก็ได้มีตำแหน่งระดับนี้อาจจะถูกเโยกย้ายหรือถูกลดตําแหน่งลงก็ได้ วเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วใจจะยังทื่อยังนิ่งอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเรามีเตรียมการไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์เราก็ยังเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนยังดำเนินชีวิตไปอย่างปกติได้เพราะเราอยาอมรับความจริงว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาวันนี้ร่างกายเราแข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะอ่อนแออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะพิกลพิการขึ้นมา พรุนี้เวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราทำใจได้หรือเปล่ายังรักษาใจาให้สงบให้เย็นสบายได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วถามตัวเราเองถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเกิดเหตุการขึ้นมาเราอาจจะทำใจไม่ได้เข้าใจไหมถ้าอยากจะก็เหมือนกับเราต้องเตรียมยาวไว้ ต้องจำคือจำลองลูกหน้าอลอง ใ, ใช่<ด>ใช่ใชต้องอย่างคุณต้องมียาแก้ปวดท้องแก้ปวดหัวเตรียมไว้ทั้งทั้งที่วันนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรแต่คุณรู้ว่าแต่พรุ่งนี้ถ่ายท้องท้องเสียงอย่าเงี้ยถ้ามียาแก้มันก็จะแก้ได้อย่างรดวดเร็วถ้าไม่มีเตรียมมาไว้ก็ต้องวิ่งหากันร้านยาปิดก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะเพราะว่าค่ะที่พระอาจารบอกให้จําลองไว้ได้เลยผมไปสับสนกลัวที่ว่าอ่าไม่ให้ คิดถึงเรื่องอนาคตนะครับ อ, อยู่กับปัจจุบันเอ้เอยคือการอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเวลาเจริญสตินั่งสมาธินี้ต้องอยู่ปัจจุบันบแต่เวลาเจริญปัญญานี้ต้องไปทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมองให้มันครบทุกทุกสัดทุกส่วนเลยมันถึงจะเห็นความจริงได้ชัดเจนเช่นดูร่างกายเราว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องดูตั้งแต่อดีตเวลาออกมาจากท้องแม่มันเป็นอย่างไรเวลานี้มันเป็นอย่างไร เวลามันไปเข้าเตาเผาแล้วมันออกมาเป็นอย่างไรอันนี้มันต้องดูหมดมันถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนเห็นความจริงได้ชัดเจนถ้าเป็นปัญญาแล้วมันต้องไปหมดทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตแต่มันไปด้วยเหตุด้วยผลมันไม่ได้ไปด้วยความความกลัวหรือความอยากเช่นคิดกลัวอนาคตกลัวจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดอย่างนี้แล้วไม่อยากให้มันเกิด คิดแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าคิดทางปัญญาคิดแบบกิเลสถ้าคิดทางปัญญาต้องคิดว่าเกิดก็เกิดสิมันเราไม่ห้ามมันได้หรือเปล่าเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้นจะไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นมาภายในใจถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพอคิดถึงอนาคตคิดถึงความเสื่อมก็จะไม่ไม่อยากคิดกลัวละคนบางคนที่เข้ามาเล่าให้ฟังมันกันว่าพอคิดถึงความตายแล้วใจมันหดหู่แล้วเกินเออ อันนะั้นนะคิดด้วยความอยากมันเจริญเจริญมราณาสติแล้วเออ อ, อเพราะมันมีความอยากเข้ามาแทะอยากอยู่ไงยังไม่อยากตายอพอคิดถึงความตายแล้วแหมใจมันหดถูเข้าไปเลยคือนั่นในกรณีนะั้นคือเขาไม่ได้ใช้ปัญญาในการใช่แล้วการจะใช้ปัญญาได้จิต ก, ก็ต้องสงบก่อนมันถึงจะหยุดไอ้ความอยากต่างๆได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้มันอ่อนกําลังลงไป ทำให้เราไม่รู้สึกหดหู่เวลาที่เราพิจารณาความเสื่อมพิจารณาความตายเนี่ยสมาธิจึงสำคัญในการเจริญสติคนเราจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องปัญญากันะสมาธิจึงสำคัญในการเจริญปัญญาแต่คนเราถ้าไม่มีสมาธิเราจะไม่อยากจะเจริญปัญญาจะไม่อยากจะคิดถึงวันที่เราจะต้องเสื่อมจะต้องเจ็บจะต้องตายกันพอคิดแล้วมันหดหู่ใจ ออแสดงว่าการเจริญสติเนี่ยเป็นปกติของชีวิตแต่การเจริญปัญญาเนี่ยคือการให้มันก้าวหน้าไปข้างหน้าใช่ <นะ S 2> เป็นการ <นะ S 2> จำลองเตรียมล็อ ก, กับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนออแต่จะทําได้จิตก็ต้องมีความสงบก่อนในเหะฉนั้นมันก็ไม่กล้าพิจารณาเงเพราะพิจารณาถึงความเสือ่อมความตายแล้วมันก็จะหดหู่ใจมันก็ไม่อยากจะพิจารณา แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญานั่นเองเพราะจิตยังไม่สงบพอยังไม่มีสมาธิพอถ้ามีสมาธิก็เหมือนกับการอ่อให้ยาสลบแก่กิเลสตัณหาดีๆนีเ่เหมือนกับหมอเวลาจะผ่าตัดนี่ต้องให้ยาสลบกับคนไข้ก่อนถ้าคนไข้ยังมีความรู้สึกตัวไปผ่าเดี๋ยวคนไข้ก็ดิ้น จะเริญสติคระอาจารย์ยังไงก็ต้องควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิไปด้วยใช่ไหมครับพระติจาเป็นทุกกรณีอต้องมีสติทุกกรณีมีมากมีน้อยท่านนั่นเองทําทางก็ต้องมีสติรักษาศี่ก็ต้องมีสติถ้าเมาเราจะมาทําผุนวันนี้ได้บ่แล้วแล้วการนั่งสมาธินะครับอาจารย์คือ ต้องยังไงก็ต้องหมั่นทําให้ปล่อยใช่ไหมครับสมาธินี้จิตต้องอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่คิดปรุงแต่งะไม่ต้องเจริญปัญญาเอ่าสมาธิให้มันชํานาญก่อนเหมือนกับก่อนที่จะเดินให้ยืนให้ได้ก่อนยังยืนไม่ได้อย่าไปเดินเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มลุกคลุกคาอยู่นั่นแหละปฏิบัติไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะไม่ยืนไงยืนไม่เป็นหัดยืนให้ได้ก่อนหัดทําจิตให้สงบให้ได้แม่ทําให้มีสติให้ได้ก่อน เรามีสติแล้วพอจิตสงบแล้วทีนี้ไปทางปัญญาได้นะพิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาความเสื่อมได้พิจารณาความตายได้จะไม่หวั่นไหวพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นแนอณคตนี้เองเพื่อเราจะได้รับกับเหตุการณ์ได้อย่างสบายเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาค่อาจารย์เวลารวมจิตได้แล้วล้วไม่ไม่ปฏิบัติต่อนี่ ต่อไปจะเสื่อมไหมครับเสือมก็หนงตายยังเสื่อมเลยเอสมาธิของท่านท่านได้แล้วท่านก็ไปทํำกฎอยู่เดือนหนึ่งไม่ขึ้นไม่นั่งสมาธิเลยพอจะกลับมานั่งก็ไม่สงบแล้วต้องทําอยู่ทุกวันมันถึงช ำ, ชำนานถ้าเราไม่ทําสักพักมันก็จะลืมลืมวิธีที่จะทําให้มันสงบท่านกว่าจะพบวิธีก็หมดไปหลายวันด้วยกันท่านบอก เพนนั้นจิตพลาด น, น, นึ็นแบบนีเคยเป็นเหมือนมหาเศรษฐีแล้วมาเป็นยาจกอย่างนั้นพอพอได้กลับได้พุโทโธกลับมาทีนี้ไม่ยอมปล่อยมันละเอาพุโทโธมันตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรแล้วทีนี้อะไรนะสว่าสมควรแก่เวลาก็เอาไว้เพียงเท่านี้ อ, เ, อเชิญตอนนี้ยังไม่ได้ถวายของเข้ามาถวายเดี๋ยวนี้มีเจ็ดตัวนี่เอ่า ดีสะดวกดีนะแต่คนชาร์จลำบากหน่อยต้องชาร์จทุกวันต้องไหมเอาชัวร์ทุกวันครับแต่แต่ก่อนนี้สองวันทีแต่เอาอชัวร์ดีกว่าครับชั ว, วชร์ดีาชาร์จชั่วโมงเดียวก็เสร็จใช่ไหมประมาณชั่วโมงสอง่วเมงถ้าเจ็ดเครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลายปั๊กสิก็ชาร์จทีห้าปั๊กสามปั๊กอย่างนั้เลยครับ